ขอความสุขความเจริญจึงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมประโพธิญากรรมังนาเสนอการปฏิบัติพระองค์ของพระโพธิสัตว์ก่อนที่จะได้ดสัจรู้สืบต่อกันมาโดยดําดับมาถึงเช่องหนึ่งรับสั่งถึงการปฏิบัติในทาง จ, จิตใจที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติ จนมันรู้รูปปัจจันทร์สีรูปปัจจันท์สี่แล้วก็ถึงสัญญาเวดิตานิโรธที่เรียกว่าสมาบัติแปดจึงว่ากันตามความปจริงข้อปฏิบัติเหล่านี้ก็ส่งสัมผัสมาแล้วในสมัยสำนักของอลาดาบดกาลามาโครุทกะดาบดรามาบุตรในในการให้รายละเอียดเนี่ย ส่งให้รายละเอียดไว ม, มากก็เป็นแนวทางสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมะที่จะตรวจสอบดูสภาพจิตของตนเองเวลาได้รับผลของธรรมะข้อใดข้อหนึ่งโดยจิตมันหยุดคือไม่ยอมก้าวเดินไปข้างหน้าเรื่ององค์ฌานองค์ฌานที่เรียกว่ารูปฌานมีอยู่ห้าข้อด้วยกัน คือวิตกุกการสึกนึกที่เป็นกุศลทั้งหลายวิจารณ์ก็คือการนำเรื่องเหล่านั้นมาตส่สองพินิษพิจารณาแยกแยะออกไปก็ในแง่ของความจริงแล้วจิตในขณะนั้นก็อยู่ด้วยกุศล น, รรนั้นแหละเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่เนื้อหาสาระที่ต้องการ เพราะว่าสิ่งที่ทรงต้องการก็คือต้องการได้จะรู้อนุตตรสมาสมโภชยานแล้วก็กิเลสจะต้องหมดไปอย่างสิ้นเชิงถ้าสับใดที่ยังเหติกิเลสยังเห็นเชื้อสายของวิชาอยู่ภาสาดันั้นชื่อว่ายังไม่บรรลุเ ป, ป้าหมายที่ทรงประสงค์จริงๆ ปิติความเอิบอิ่มใจซึงเกิดขึ้นมีลักษณะต่างๆเป็นทำให้ใจมันฟูขึ้นมีความโปรง่งเบาสละสลวยสบายแล้วก็สุขเป็นความสบายทั้งกายและก็จิตใจถ่ายถอนทุกเวทนาต่างๆออกไปและเอกขาตาคือจิตที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิแต่ในการปฏิบัติทุกขั้นตอน จุดตอนบรรลุปฐมฌานเนี่ยมันก็มีปัญหาว่าจิตไปติดอยู่ที่ปฐมฌานไม่ยอมขยับก็เยืย่นไปไหนก็จะทรงวิเคราะห์ตรวจสอบดูว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นก็จะทรงเห็นว่าไอ้โทษของวิตกวิจาร์พระองค์ก็ยังเห็นไม่ได้ชัดเจน แล้วอานิสงค์ของปีติคือความอึดอิ่มใจก็ไม่ชัดเจนฝนก็หันไปกลับมองโทษของวิตกวิจาร์แล้วก็อานิสงค์ของปีติจนชัดเจนจากนั้นจิตก็จะถ่ายถอนความยึดติดในวิตกวิจาร์แล้วก็ไปอยู่ด้วยปีติ ผลในทุติยฌานจึงประกอบประกอบด้วยปิติสุขเอากาตตาแต่ในขณะเดียวกันก็ในจตุตในตติยฌานนั้นประกอบด้วยสุขเอากาตตาจะทำยังไงจะทิ้งปิติได้มันก็เกิดปัญหาขึ้นมาเหมือนเดิมคือว่าโทษของปิติที่เพลินอยู่เนี่ยไม่ชัดเจน แล้วการในสงของสุขกับเอกะกาะตาซึ่งมันประนีขึ้นกว่าเดิมเนี่ยพระองค์ก็ยังไม่ได้เทียบเคียงให้ชัดเจนในสุดก็หันมามองในส่วนที่เป็นโทษกระส่งที่เป็นขุนจนพระทัยเห็นชัดเจนว่าการกาติดอยู่กับปีตินั้นเป็นโทษเพราะยังไงยังไงอย่างกำเริบได้ในสุดก็ทรงหลัปีติได้ เข้าไปสู่ที่ตติยฌานคือได้ฌานที่สามแต่พอจะไปฌานที่สี่มันก็ติดอีกแหละไปติดอยู่ที่สุขกับเอกกตาคือสมาธิกรก็นำมาตรวจสอบดูว่าเป็นเพราะอะไรทำไมาจึงไม่เดินอีกก็จรงเห็นว่าเพราะไอ้ตัวสุขเนี่ยมันที่จริงมันก็สุขกันนะแต่ก็เสพติด และที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่ามันยังกําเริบได้เปลี่ยนแปลงได้คือก ล, ยลายเป็นทุกข์ได้ทรงอุปมาว่ามันเหมือนกับคนที่รู้สึกสบายนะฮะแต่ยังมีไอ้โรคเข้ามาแทรกอยู่เพราะในขณะที่เป็นสุขเนี่ยมันไม่สุขจริงเป็นลักษณะเอาอะไรล่ะเอามือมากดศรีรระสารพิษไว้ ก็ดูแล้วคล้ายๆจะปลอดภัยอะ่ะแต่ก็ไม่ปลอดภัยหรอกเพราะอสรพิษมันอยู่ใต้มือนั่นเองดงนที่สุดก็ทรงมองอิตโตสของความสุขในสมาธิแล้วก็ไปเกาะที่ตัวเมตตาไอตัวเอกะคะตาก็คือจิตใจที่สงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวแล้วก็จิตที่อยู่สงบอันเดียวนั่นเองมันยังไม่นิ่ง คือยังยังไม่เห็นยังไม่ได้อุเบกขาอย่างไม่นิ่งแต่ถามมาทําไมจิตไม่เดินไปที่อุเบกขาก็เพราะว่าไม่เห็นโทษของสมาธิชัดเจนไม่เห็นคุณของเบกขาจะเต็มก็มองเห็นโทษของการยึดติดในสมาธิสมาธิมันก็สงบสงบก็นิ่งไงนิ่งก็อยู่เฉยๆแล้วในสุดก็เข้าไปสู่อุเบกขากับเอกาตตา ที่น้องต้องการจะสละให้หลุดแม้แต่เบิกขากับเอกการตาก็เถือต้องการจะสลัดให้หลุดก็ทรงศึกษาถึงอัตุกรมสุขคือไม่จะทุกข์ไม่จะสุขไม่ปรากฏอะไรชัดแต่ว่ามันดีกว่าคือเทียบเคียงไปเรื่อยๆนะหมายความมาอันแรกจะเทียบเคียงอันสองก็เทียบเคียงไปเรื่อยๆแล้วไปคว้าที่ดีกว่าแต่ในที่สุดก็ ทรงปล่อยทั้งอุเบกขาทั้งเอกอกตตาคือปล่อยจจตุทชานนะแล้วก็ไปดูที่อากาศศาสานัญญาตนะซึ่งมีความเป็นเป็นรูปที่ละเอียดมันไม่ใช่ถึงกับไม่จะถึงกับเป็นนามหรอกแต่ว่าเป็นรูปที่ละเอียดก็ในสุดก็ไปพิจนารณาดูว่าอนันตตัวาอากาศโซอากาศเนี่หาที่สุดไม่ได้ตอนนั้นเลยตั น, นั้นเลยรูปประจานไปแล้ว แต่ว่าพอก็จริงมาก็ไปติดอยู่ตัวนั้นอีกก็ตรวจสอบดูทําไมจึงติดจิตจึงไม่เคจ่อนจิตจึงไม่เร่มใสจิตจึงไม่ก้าวไปจิตจึงไม่ลั่นไปก็เห็นว่าโทษของอากาศเนี่ยไม่ชัดแล้วคุณนานิสงของวิญญาณก็ยังเห็นไม่ชัดและในสุดก็พยายามศึกษาหาโทษของการยึดติดเนาาี่ยกศกับเห็นคุณของวิญญาณพอถึงจุดหนึ่งจิตมันก็ค่ยื่อน มันก็ก้าวไปสู่วิญญาณก็เพ่งดูวิญญาณว่านันต่างวิญญาณัวนนางวิญญา ณ, าญญาณหาที่สิ้นสุดไม่ได้พอได้ตรงนั้นจริงพอเห็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยติดอีกแล้วติดอีกแล้วว่าทําไมมันจึงติดมันก็เหมือนเดิมเพราะว่าโทษของวิญญาณเนี่ยไม่ชัดเจนแต่โทษของสิ่งที่เรียกว่าอากิจจัญญายายตนาชาน คำว่าอากิญจัญญาญาตนะนี่คือว่าสิ่งทั้งหลายในที่สุดมันมองเห็นสิ่งทั้งหลายมันละเอียดไป้เรื่อยมันชักจะไม่มีอะไรไปโดยธรรมดับอากิญจัญญายาตนะก็คือว่าเห็นว่ามันสิ่งทั้งหลายก็มีอยู่เพียงเล็กน้อยแต่นั้นเองแต่ในขณะเดียวกันเห็นวิญญาณมันมากมันก็เลยติดวิญญาณปฏิวิญญาณในที่สุดก็สำร้องความพอใจในวิญญาณก็ไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็เห็นว่าสิ่งทั้งหลายก็มีอยู่เพียงเล็กน้อยแต่นั่น ดูไปดูมาเอมันก็ชักจะไม่จบมาผักกลนคมันก็มีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่เชิงแต่ว่าทำยังไงจะประจักษ์ชัดว่ามีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่เชิงในสูตรก็สำหรับความพอใจในนี้อ่ไปขึ้นไปข้อที่สี่ก็เรียกว่าเนวะสัญญานสัญญายตนะหมายความว่าไอสิ่งตั้งยนั้นจะมีอยู่ก็ไม่เชิงไม่มีอยู่ก็ไม่ใช่คล้ายๆกับเราน้าไปล้างบาศ เดี๋ยวก็เทน้ำจริงจะถามว่าในบาตนั้นมีน้ไหมจะตอบว่ามีก็ได้ไม่มีก็ได้นะตอบว่ามีก็คือยังเปียกอยู่ตอบว่าไม่มีก็คือดื่มไม่ได้ปริมาณมันน้อยเพราะในที่สุดมันมองเห็นโลกเห็นโลกจักจะไม่มีตัวตนขึ้นไปโดยลำรับพอถึงจุดหนึ่งก็ดับการปรุงคิดคิดปรุงเขเรียกดับสัญญาดับเวทนาซึ่ง อย่างที่เคยบอกไว้ว่ามันเป็นจิตสังขารคือสิ่งที่ปนเปือจิตแต่จิตมันยังปนเปือนัองปรุงแต่งแต่น้อยก็มีก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่เชิงในที่สุดก็มองเห็นคุณของการดับสัญญ า, าดับเปรนาดับจิตสังขารเพื่อจิตมันอยู่ส ง, งบกิเลสเบียดแทรกเข้าไปไม่ได้นะตราบเท่าตรงนั้นนะ แต่ว่าตรงนี้ที่จริงที่จริงไม่ใช่หลุดพ้นจริงมันเป็นการหลุดพ้นโดยเหมือนเอาเสือลำแผนมาปูที่สนามหญ้าก็ไม่เห็นญ้าจริงแต่ที่จริงญ้ามีแต่อยู่ใต้ใต้เสือลำแผนนั่นนั่นเองแล้วในสุดก็ส่งบรรลุไปจนถึงสัญญาเวดายตานิโรธ ตัวนี้เป็นประเด็นสำคัญนะฮะคือเรามามองเฉพาะทุติยชาตเพราะว่าตอนพระพุทธเจ้าท่านศัสรูเนี่ยถ้าไปแยกที่ตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้ไปที่อารุณชาตในฌานทั้งสี่ข้อแรกเนี่ยมันสยบนิวรทีนี้คำว่านิวรณ์เนี่ยกิเลสที่เราผ่านมาแล้วทั้งหมดเนี่ยพอมันฟูขึ้นภายในจิตนี่เราก็เรียกว่านิวร แต่นิวรณ์พูดแค่ห้าขอ้อกิเลสอาจจะพูดเยอะนะฮะอาจจะพูดเยอะแต่ว่าเมื่อเราเกาะกลุ่มแล้วเนี่ยจะเห็นว่ามันก็อยู่ในกลุ่มของนิบรณ์ทั้งานั่นเองเพราะนิวรณ์ทั้งห้า ก, ก็คือโลกกดหลงแต่ว่ามันไม่ออกมาคือไม่ล้นออกมาข้างนอกจนทําผิดพูดผิดแต่ว่าก็อยู่ภายในจิตก็ เ, เรียกว่ากิเลสที่เกิดกลุ่มรุมใจ ภาาบาลีท่านเรียกว่าปริยุทธานกิเลสกิเลสที่เกิดขึ้นกลุ่มมใจบังคับใจให้สายไปตามแรงผลักดันของเขาแล้วแต่กิเลสอะไรเกิดเช่นสมมุติว่ากิเลสประเภทแรกก็คือกิเลสประเภทโลภะประเภทคว้าเามาหาเราต้องการได้ต้องการมีต้องการเป็นแต่เป็นความคิดนะฮะเอาเฉพาะความคิดไม่จะเอาไปข้างนอกถ้าข้างนอกก็เป็นกายกรรมวิจิกรรมไปคือตรงนี้ไม่ได้พูดถึงกายกรรมวจิกรรม แต่พูดระดับของมโนกรรมคือใจมันเหนียวนึกสึกนึกก็ทำนองคล้ายๆกับวิโตกแต่มันมันเกิดขึ้นภายในใจก่อนแล้วถ้าพอเพิ่มความรุนแรงมันก็คว้าแบบวิโตกนะฮะ ค, คือเหนียวนึกสึกนึกแบบวิตกหรือว่ายางสังกัปปะคือความ ด, ดําดีแต่ว่าเป็นมิจฉาสังกัปปะนะเป็นอ ก, กุศลวิโตก อาการใจที่เหนียวนึกอาจจะเหนียวนึกถึงสิ่งที่ใจใครใ่ใจปรารถนาใจพอใจเรื่องอาจจะผ่านมาแล้วแนอดีก็ได้ในอนาคตก็ได้ปรารถนาจะได้จะมีจะเป็นในอนาคตก็ได้เรากำหนัดเพลิดเพลินับปัจจุบันก็ได้พวนี้มันก็ติดไปเรื่อยๆนะฮะติดไปเรื่อยๆจนถึงแม้แต่กำหนัดเพลิดเพลินในฌานบางข้อเนี่ยเราสังเกตมันก็กลายเป็นปัญหาเพราะว่า การบัตรทางจิตคล้ๆกับการเดินทางเราก็เปลี่ยนยานพานหนะไปเรื่อยๆกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางเช่นสมมติว่าจากกรุงเทพเราจะไปที่เชียงใหม่ก็ออกรถไปจากบ้านไปถึงท่าอากาศยานแล้วก็เดินจากท่าอากาศยานไปขึ้นเครื่องไปขึ้นเครื่องก็นั่งไปเราก็ลงสนามบินตรสนสัมผิงก็เดินขึ้นไปขึ้นรถ อ่านะเดินไปคือรถก็เดินลงจากรถแล้วก็ข้าวไปที่ที่เราต้องการไปมันก็เปลี่ยนยานพาหนะไปเรื่อยๆมันก็ส่งต่อไปเรื่อยเพราะงั้นถ้าเราไปติดอยู่ที่ภาชนะไอ้ไม่ใช่ที่ยานพาหนะอันใดหนึ่งเนี่ยฮะเช่นติดอยู่ในรถในช่วงที่จะออกจากบ้านขึ้นเครื่องบินก็จบแล้วเนะข้าไปในแอร์พอร์ตไม่ได้เอาสมมุติเราเดินเข้าไปแล้วก็เกิดพอใจอากาศเย็นดีสบายดีไม่ยอมขึ้นเครื่องก็ติดอ่ะ หรือว่าขึ้นไปเครื่องแล้วไม่ยอมลงนะฮะแต่ที่จริงเครื่องเนี่ยก็ต้องไล่ลงสมมุติว่าเราไม่ยอมลงเราจะยอมจ่ายค่าเครื่องบินอีกเที่ยวหนึ่งเดี๋ยกลับมาถ้แล้วก็ไม่ลงสนามลงก็ไม่ลงที่เชียงใหม่มันก็ติดอย่างเงี้ยคือจุดหนึ่งเนี่ยมันจะดีแต่จุดหนึ่งจะมีปัญหาคล้ายๆกับเราเรียนหนังสือเนี่ยมันชั้นมันสูงจน ถ, ถึงชั้นมัธยมหกแล้ก็เดินไปเรื่อยๆนะฮะ พอหนึ่งในชั้นที่เราต้องเรียนก็ต้องเรียนพอจบสอบได้พอหนึ่งก็ต้องปล่อยปอหนึ่งเพื่อไปเรียนพอสองพอตอนพอสองก็ทุ่มเทลงไปถึงจุดหนึ่งสอบผ่านพอสองก็ต้องทิ้งพอสองเพื่อไปเรียนพอสามแต่อย่าลืมนะความรู้นี่เขาติดไปเพราะฉะคุณภาพจิตที่ท่านสละทิ้งเนี่ยมันติดไปคืออยู่ภายในใจของท่านนะท่านจะเข้าสมาธิเมื่อไร่ก็ได้เข้าฌานเมื่อไรก็ได้เพราะว่า มันเป็นคุณภาพของจิตท่านยิ่งขึ้นไปสูงเท่าไหร่ก็คล้ายๆกับเราเรียนจบเป็ปริญญายเอกเนี่ยมาตอบคําตอบอนุบาลตอบประถมตอบมัธยมก็ตอบได้สบายนะฮะเพราะอะไรเพราะเราเรียนมาแล้วความรู้เราน้ำก็อยู่กับเราเราก็ตอบได้ไปกิเลสภายในใจัก็จะมีลักษณะอย่างนั้นได้ธรรมะภายในใจนก็มีลักษณะอย่างนั้นคือเมื่อ ธรรมะมันเกิดขึ้นนกิเลสมันก็หมดไปแล้วถ้าละได้แล้วก็คือละได้แล้วเช่นสมมุติกับความรู้สมมติว่าเราเรียนวิธีทําน้าพริกประทูมาเนี่ยเดี๋ยวต่อไปเราไปเรียนอะไรตัวมีอะไรเยอะเลยอาอ ห, หารฝรั่งอาหารจีนอาหารไทยเนี่ยสาระพัดเตีย น, นยแต่ความรู้เรื่องน้าพริกประทูมันยังอยู่กับเราเราจะเอามาปรุงเมื่อไหรก็ได้ รอมาปฏิบัติก็จะมีลักษณะของเขาอย่างนั้นเพราะฉะั้นเมื่อพวกฌานทั้งหลายมันเกิดขึ้นเนี่ยวิตกคือความตรึกนึกเหนียวนึกเนี่ยมันจะไปสงบก็ช่วงแรกก็เรียกสยบนะสยบพวกทีนะมิทานิวรนเอาไว้หลายความอาการง่วงงุนอาการง่วงเหงาห้านอนซึ่งซึมงงอยงหดถูเริ่เคล่อจุดๆืชาเจ็บเหนื่อยหน่ายทอต้อย เซงอะไรแต่ออไรเนี่ยมันสงบก็พวกนี้มันเหมือนกับโรคแทรกพอจิตมันไปอย่างนั้นพวนี้ก็ถูกสยบไปแล้วก็เดินต่อไปจนถึงวิจารณ์พอวิจารณ์เนี่ยมันก็ไปสงบพวกเครื่องแฝงสงสยัยคือพวกวิจิกิจฉา ค, ความเครื่องแฝงสงสยัยปิ้งเกตประเภทโมหะนะฮะพอถึงจุดหนึ่งวิจิกิจฉาก็าดับ ระ ด, ดับแบบเสือนลำแผนปูทับอย่างกล่าวนะฮะเพราะตรงนี้เป็นเป็นเป็นการดับระดับฌานแล้วพอถึงจุดหนึ่งจิตใจก็เดินต่อไปอีกก็ได้ปีติพอปีติเนี่ยมันไปส ง, งบที่พยาบาทพยาบาทเป็นกิเลสประเภทโทสะอาจจะไม่พอใจอาจจะไม่ยินดีอาจจะหกุดเหงิยดอาจจะรำคาญอาจจะอาฆาตอาจจะโกรธอะไรก็ตามเน่ยเขาทั้งนั้นนะะ เป็นพวกกิเลสสายของพยาบาททีนี้พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดเป็นสุขขึ้นพอสุขเนี่ยมันจะไปขจัดอุท ธ, ธ, ธจักกุจักคือความฟุง้งซ่านความฟุง้งซ่านจุดหนึ่งอารำคาญตัวเองหรืหนตัวเองเนี่ยมันจะถูกขจัดออกไปพอถึงจุดหนึ่งจิตมันจะเข้าไปสู่เอกะขะตาคือจิตที่มีอารมณ์เป็นเดียว พอมาถึงจุดนั้นกรรมฉันก็สงบตรงนี้ท่านท่านชาวทุชนลองสังเกตนะว่าบางครั้งบางคราวเวลาเนี้ยเราไม่สังเกตความขัดแย้งกันเป็นการปฏิบัติที่ค่อนข้างจะหลอกลวงตัวเองนะฮะหลอกลวงคนอื่นคือคนที่จเจริญสมาธินี่ต้องไม่โลภนะฮถ้าโลภ ก, ก็แสดงว่าไม่ไม่มีสมาธิจริง เพราะเราสังเกตได้นะฮะเจตสมมุติว่าเราจะเข้ามาสมาคมกับพร ะ, นะพระอะไรพระอะไรอย่างขี้โลภเนี่ยแล้วก็สอนสมาธินี่ไม่จริงนะเพราะว่าจิตที่มีสมาธิจะไม่มีความโลภเพรความโลภ ก, กับสมาธินั้นก็เป็นปฏิปักษ์กันเพียงแต่ว่าในขณะนั้นถ้าเดกว่ากามฉันกามฉันก็คือจิตเดียวนึกสึกนึกคอยคว้าปรารถนาอยากได้อ ย, ไดอยากมีอยากเป็นนั่นเอง โดยไปประเมินค่าไปตีค่าสิ่งเหล่านั้นด้วยความอยากหรือว่ารูปสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสน่าจับต้องเนี่ยมันก็พ้าไปได้ๆแต่ว่าบางครั้งเนี่ยสำนักกรรมฐานหรือพระที่เป็นอาจารย์กรรมฐณา น, นิโลกจ้างเรียอะไรจ้งรรางอะไรกันจริงไม่รู้ทําทำอะไรกันไปข้าวไปในวัดก็มีแต่อะไรล่ะมีแต่แนกรับเงินต่างๆ โฆษณาอย่างนั้นอย่างนั้นเชิญชวนอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเหมืนอนดาวไถเกิดขึ้นทีเดียวเป็นสิบสิบดวงอย่างเงี้ยคือคือเรารู้สึกเขินนะแต่จริงเราก็ไม่ได้มีสมาธิอะไรแต่มันเขินไปเห็นวัดเนี้ยจะเคยไปเทศไหนที่หนึ่งทุกวันเขาไม่นิ ม, มนต์อ่ะมันก็อาจจะคนนิ ม, มนต์เขไม่รู้จักก็ได้นะฮะเพราะว่าคนก่อนก็ตายไปเวลาเราเทศเนี้ย เอ้อ้บาทที่เรียกอะไรสตางค์มุจาการเทศมันว่อนกองแกง่งกองแกง่งกองแกง่งประเทศเสร็จก็บอกว่าโยมโยมจะไปเรียกอะไรอย่างนั้นที่น่าเกลียดอายเขาคล้ายๆกับมารับจ้างเทศเอาธรรมะพระพุทธเจ้ามาขายคือถ้าโยมต้องการได้เก็บเงินบำรุงศาสนาสถานเนี่ยนะ แล้วยมไม่ต้องถวายแตม่มาเรามามาเองมาเทศแล้วก็กลับไปจังคราวทวัดแต่ว่าอย่าทำไ ป, เ จ, ปเจอไปเจอเพราะว่าคนฟังก็เสียสมาธิคนเทพก็เสียสมาธินะอันนี้บางทีเราก็อยู่ภายในวัดอะแต่ไม่ดูอะไรมันเหมาะมันขวดเป็นปัญหาที่เรียกว่าคาแผ่นดินเหมือนกัน น, นะนะเสมอมาอยู่ต่างจังหวัดเนี่ย วัดมันอยู่ริมถนนแล้วดีกาเนี่เข้ามาที่วัสุกปิสิการมันเยอะจริงในขณะที่เราขึ้นเทศเนี่ยปังปองปังปังปง ป, ง ป, งปังอยูเรยเลยคนนั้นก็บริจาคขอบริจาคคนนี้ก็ขอบริจาคเลยต้องขอร้องโยมบอกว่าเวลาพระเทศเนะขออย่าได้ไรอะโยมจะไปทำที่อื่นอะไรก็ทากันไปก็พูดกันไปแต่ว่าตอนเทศเนี่ยอย่าได้ไร เพื่อใจคนมันสงบอยู่กับเรื่องเทศเรื่องการฟังเทศธรรมะปฏิบัติเนี่ยเมื่อบอกว่าเรามีธรรมะต้องไม่มีอีกต้องไม่มีอาธรรมพุทง่ายๆอย่างนี้ต้องไม่มีอาธรร ม, ม, ม, รรมคล้ายๆกับบอกว่าสว่างมันก็ต้องไม่มืดนะฮะบอกว่าอิ่มก็ต้องไม่หิวบอกว่าหายป่วยก็ต้องไม่ป่วยมันไม่มีอย่างที่สองคือด้านตรงกันข้ามเนี่ยต้องไม่มี เราสังเกตนะครพระไทยพระโพธิสัตว์ตรงนี้ไปไม่จะธรรมดาแล้วกิเลสถูกสยบหมดเลยแล้วถึงรูปฌานนะฮะพวกเหล่านี้ถ้าหากว่าอารมณ์มากระแทกไม่แรงเนี่ยกิเลสไม่ผูกขึ้นแต่ถ้าแรงก็ผูกเหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นการสยบสยบกิเลสเอาไว้เพือสงบกิเลสไปก็แคล้ๆกับ ที่ที่พระโพธิสัตว์ท่านได้เนี่ยมันก็แบบฤุสีที่เลื่อนลอยมาบนอากาศแล้วก็ตกลงที่อิสิปัตนามริกระทายวันนะที่ก็ได้อิสิปัตนาไปว่าฤุสีหล่นรุสีตกลงมาป่าเป็นที่ให้ใ ห, ให้อภัยแก่เนื้อเป็นที่ตกของฤุสีคือฤุสีหล่นลงมาเพราะอะรเพระฤุสีเหล่านั้นได้อภิญญาอย่างที่เคยพูดไวด้ก่อนนั่นนะได้ก็ได้ฌานพวกเนี้นะได้ฌานพวกนี้นะ มันก็สามารถที่จะทําอะไรที่เป็นอิทธิฤทธิ์ต่างๆได้ไอันนี้ต้องมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้ถ้าไม่มีสิ่งนี้จะไม่มีสิ่งนี้คือจะประเด็นตรงนั้นได้ผู้อภิญญานั้นเป็นผลของฌานถ้าไม่ได้ฌานท่านก็ไม่มีอภิญญาการที่มีอภิญญาก็เพราะท่านมีฌานแต่อภิญญาบางระดับที่เป็นโล ก, กิยจมันเลยเลืยฌานไปนะ่ะเป็นผลของฌาน แ ล, แล้วยานมันก็ม exactly. ีสองระดับนะยานที happen, anyway> ่เป็นโลกิยาะลานยานที่เป็นโลกุตระคือยานที่เป็นโลกุตระเนี่ยที่จริงก็มีข้อเดียวนะคืออาศวะกายตอนนั้นเป็นโลกิยะก็ได้นะะเป็นโลกุตระก็ได้เช่นนรกชาติได้เนี่ยเป็นโลกิยะก็ได้โลกุตระก็ได้หรือว่าหูทิพตาทิพเนี่ยบางทีเนี่ยมันเป็นได้โดยกําเนิดนะฮะพวกตาทิพูทิพเนี่เป็นเรื่องแปลกนะคือแสดงว่าท่านเหล่านี้มีวาสนาบารมีมา แต่ว่าพอโตก็จะเสื่อมเพราะว่าโดนอารมณ์กระแทก บ, บ่อยๆความรักความชังกระแทก บ, บ่อยๆแล้วในสุดพุนนี้ก็จะเสื่อมตรงนี้ท่านสาธุชนต้องจับประเด็นตรงนี้ไวนะ้ะว่าต่อไปที่เราจะเจออะไรต่ออะไรอีกมากในวิถีชีวิตเส้นทางชีวิตของพระโพธิสัตว์เนี่ยของพระพุทธเจ้าเอาช่วงเป็นพระโพธิสัตว์แล้วช่วงศัสรูน้นี่จะเห็นชัดเจนว่าอะไรมันเป็นอะไรในในเรื่องนั้ น, น, น ต้องฟังแตายแต่รลวมพาพโธติยานในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญองอกงามไปบุญในธรรม ย, ยมีแด่ท่านผู้ฟังงตลายโดยทั่วกันสวัสดี